ชัตวรหมูที่หหนึ่งโคติกาเทระคาถาภาษิตของพระโคติกาเทระทราบว่าท่านพระโคติกาเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าฝนตกลงมาเสียงดังกระหึ่มคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะกูดีของเราสบายมุงบังมิชิตดีจิตเราตั้งมั่นดีแล้วถ้าต้องการจะตก ก็จงตกลงมาเถิดฝน 2. สุพาหุเทระคาถ า, าภาสิตของพระสุพาหุเทระทราบว่าท่านพระสุพาหุเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าฝนตกลงมาเสียงดังกระหึมคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะกูดีของเราสบายมุงบังมิชิต ด, ดีจิตเราตั้งมั่นดีแล้วถ้าต้องการจะตก ก็จงตกลงมาเถิดฝน 3. ามวลยะเถระคาถาภาษิตของพระวลิยะเถระทราบว่าท่านพระวลิยะเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าฝนตกลงมาเสียงดังกระหึ่มคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะกูดีของเราสบายมุงบังมิตรชิดดีในกูดีนั้นเราอยู่อย่างผู้ไม่ประมาทถ้าต้องการจะตก ก็จงตกลงมาเถิดฝน 4. อุติยเถระคถ า, าภาษิตของพระอุติยเถระทราบว่าท่านพระอุตยเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าฝนตกลงมาเสียงดังกระหึม่มคล้ายเสียงเพลงอันไพเราะกูดีของเราสบายมุงบังมิชิตดีในกูดีนั้นเราอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนถ้าต้องการจะตก ก็จงตกลงมาเถิดฝน 5. อัญชนาวณิยะเทระคถาภาสิตของพระอัญชนาวณิยะเทระทราบว่าท่านพระอัญชนาวณิยะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าเราเข้าไปป่าอัญชนาวันเอาต่างเป็นกุดีบรรลุวิชาสามแล้วเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วห กุติวิหารีเถระคาถาภาษิตของพระกุติวิหารีเถระทราบว่าคนเฝ้านาและพระกุฎีวิหารีเทระสนทนากันว่าดังนี้คนเฝ้านาถามว่าใครเล่านั่งอยู่ในกระท่อมพระกุติวิหารีเถระตอบว่าภิกษุผู้ปราศจากราคะมีจิตมั่นคงดีแล้วอยู่ในกระท่อมเข้าใจอย่างนี้เถิดโยม กระท่อมที่ท่านสร้างไว้แล้วไม่เปล่าประโยชน์เลย 7. ทุติยกุติวิหาริเถระคาถาภาษิตของพระทุติยกุติวิหาริเถระทราบว่าท่านพระทุติยกุติวิหาริเถระได้กล่าวคาถาที่เทวดาได้กล่าวกับตนว่าดังนี้กุดีหลังนี้เป็นกุดีเก่าท่านปรารถนากุดีใหม่หลังอื่นทําไม ขอตั้นจงคลายความหวังในกุฏิหลังใหม่เสถเถิดเพราะกุฏิหลังใหม่นำทุกขมาให้ 8. โรมานียกุติกะเถระคาถาภาษิตของพระโรมานียกุติกกเถระทราบว่าท่านพระโรมนียกุติกะเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่ากุฏิของเราน่ารื่นรมเป็นที่พอใจทายกผู้มีศรัทธาถวายไว้ อาตมาไม่ต้องการพวกผู้หญิงพวกเธอจงไปในที่ที่พวกเขาต้องการพวกผู้หญิงเถิด 9. โกสัญละวิหาริเถระคาถาภาษิตของพระโกสัญละวิหาริเถระทราบว่าท่านพระโกสัญละวิหาริเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราบวช ด, ด้วยศรัทธาเราสร้างกูดีอยู่ในป่าเราจึงอยู่อย่างคนไม่ประมาท มีความเพียรเป็นนิดและมีสติสัมปชัญญะ 10. ศสีวลีเทระคาถาภาสิทธิ์ของพระสีวลีเทระทราบว่าท่านพระสีวลีเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าความปรารถนาที่เราเข้าไปสู่กุดีเฝ้าสแสวงหาวิชาและวิมุตติอันเป็นเครื่องถอนมานานุสัยความดำรินั้นของเราสำเร็จแล้ว ชาทวัคจบรวมเรื่องพระเทระที่มีนิวักนี้คือ 1. พระโคติกะเทระ 2. พระสุพาหุเทระ 3. าพระวันริยะเทระ 4. พระอุติยะเทระ 5. พระอัญชนวันริยะเทระ 6. พระกุติวิหารีเทระ 7. พระทุติยกุติวิหารีเทระ 8. พระรมนียกุติกะเทระ 9. พระโกสัญละวิหารีเทระ 10. พระศีวลีเทระ สัตตมวักหมวดที่เจ็ดหนึ่งวัปเทระคาถาภาษิตของพระวัปเทระทราบว่าท่านพระวัปเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าผู้เห็นธรรมย่อมเห็นทั้งผู้เห็นธรรมและผู้ไม่เห็นธรรมผู้ไม่เห็นธรรมย่อมไม่เห็นทั้งผู้ไม่เห็นธรรมและผู้เห็นธรรม 2. องวชีปุตตะเทระคาถา ภาษิตของพระวัชีบุตรเทระทราบว่าท่านพระวัชีบุตรเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าเราอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวเหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าคนหมู่มากปรารถนาจะเป็นเช่นอย่างเราเหมือนสัตว์นรกพากันปรารถนาผู้ไปสวรรค์สปัคคะเทระคถาภาษิตของพระปัคคเทระทราบว่า ท่าพระปัจจะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าชิ้นเนื้อพลัดหลุดจากปากเ ย, ยว่เ ย, ยวติดใจในชิ้นเนื้อนั้นก็หวนกลับมาโฉบเอาอีกนิพพานที่น่ารื่นรมซึ่งพระอริยเจ้ายินดีแล้วเป็นความสุขโดยส่วนเดียวมีความสุขซึ่งเกิดจากพระสมาบัติติดตามมาเป็นกิจที่เราทำเสร็จแล้วสวิมลโกนทัญญเทระคาถา ภาษิตของพระวิมลกลทัญญเทระทราบว่าท่านพระวิมลกลทัญญเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุผู้เกิดจากนางธุมะกับพระเจ้าปันทระเกตผู้ครองสเสวตฉตดลดทงเสียได้ให้ทงใช้นั้นแหละกําจัดมานะมีประการหลากหลายเป็นดุดลดทงผืนใหญ่ลงเสียได้ห้า อุเคปะกะตะวัชเทระคาถาภาษิตของพระอุเคปะกะตะวัชเทระทราบว่าท่านพระอุเคปะกะตะวัชเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุผู้นั่งสงบสงี่ยมมีความปราโมทเป็นอย่างยิ่งย่อมกล่าวพระพุทธพจน์ซึ่งท่านพระอุเคปะกะตะวัชเทระท่องจนคล่องปากมาเป็นเวลาหลายปีแก่ชาวบ้านทั้งหลายได้ หเมขิยาเทระคาถาภาษิตของพระเมขิยาเทระทราบว่าท่านพระเมขิยาเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าพระมหาวีระพูดถึงฝั่งธรรมทั้งปวงแล้วได้ทรงพระ่มสอนเราเราฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วมีสติอยู่ในสำนักได้บรรลุวิชาสามเราได้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว7 เอกธรรมะสวนิยะเทระคาถาภาษิตของพระเอกธรรมะสวนิยะเทระทราบว่าพระเอกธรรมะสวนิยะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราเผาคีเลทั้งหลายแล้วเราถอนพบทั้งปวงได้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก 8. เอกุทานิยะเทระคาถา ภาษิตของพระเอกุธานิยะเทระทราบว่าท่านพระเอกุธานิยะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นพระขีนาสพศึกษาทางแห่งความเป็นพระมุนีผู้คงที่สงบมีสติทุกขณะย่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเก้าชันนาเทระคาถาภาษิตของพระชันนาเถระ ทราบว่าท่านพระช น, นะเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราได้สดับธรรมมีรสลึกโอโลานของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระมหาสมณะดำเนินตามแนวทางซึ่งพระผู้มีพระภาคผู้มีพระญาณอันประเสริฐคือพระสัพพัญยูทรงแสดงไว้แล้วเพื่อบรรลุอมตะนิพพานพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรอบรู้ในทางเกษมจากโยคะ สิปุณณเถระคาถาภาสิตของพระปุณณเถระทราบว่าท่านพระปุณณเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดทั้งในหมู่มนุษย์และหมู่เทวดาชัยชนะจะมีได้ก็เพราะศีลและปัญญาสัตตมวักจบ รวมเรื่องพระเทระที่มีในวักนี้คือ 1. พระวะปะเทระ 2. พระวะชีบุตรเทระ 3. พระปัขะเทระ 4. พระวิมลโกณทัญญาเทระ 5. พระอุเคปะกะตะวัชเทระ 6. พระเมขิยะเทระ 7. พระเอกธรรมสวัณิยเทระ 8. พระเอกุธานิยะเทระเก้าพระช น, นะเทระสิบพระปุณณเทระ 8. อัฏฐมวัคหมวดที่8 1. หนึ่งวัชาปาละเทระคาถา ภาษิตของพระวชชปาละเทระทราบว่าท่านพระวชชปาละเทระเด้อกล่าคถาไว้ดังนี้ว่าพระโยคาวจรมีปกติเห็นเนื้อความทั้งสุขุมและละเอียดยิ่งนักมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอปฏิบัติตามศีลของพระพุทธเจ้าเป็นอาจินจึงบรรลุนิพพานได้โดยไม่ยากสอง อาตุมเถระคาถาภาษิตของพระอาตุมะเถระทราบว่าท่านพระอาตุมะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าลัมไผอ่อนแตกขแขนงมีใบกิ่งก้านสาขาแล้วเป็นสิ่งที่ยากที่จะเคยื่นถอนได้ฉันใดอาตมาก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อโยมแม่นำพัญญามาให้ขอโยมแม่ได้โปรยจินยอมอาตมาเถิดเพราะว่า บัดนี้อาตมาเป็นบรรพชิตแล้ว 3. ม, มานวเทระคาถาภาษิตของพระมานวเทระทราบว่าท่านพระมานวเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราได้พบเห็นคนแก่คนเจ็บหนักและคนตายเมื่อถึงอายุไขหลังจากนั้นก็ละกามารม์อันเป็นที่น่าพึงใจเสียได้จึงออกบวชสี สุยามาณเถระคาถาภาสิตของพระสุยามาณเถระทราบว่าท่านพระสุยามาณเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าความพอใจในกรมคุณความคิดร้ายผู้อื่นความหดหูซ่ซึมเศร้าความฟุ้งซ่านรำคาญใจทั้งความลังเลสงสยัยย่อมไม่มีแก่ภิษุโดยประการทั้งปวงเลยห้า สุสาระทะเทระคาถาภาษิตของพระสุสาระทะเทระทราบว่าท่านพระสุสาระทะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าการได้พบเห็นเหล่าสัตว์ปุรุษผู้อบรมตนดีแล้วเป็นการดีเป็นเหตุให้ตัดความสงสัยเสียได้ทาความรู้ให้เจริญงอกงามเหล่าสัตว์ปุรุษย่อมทําคนแม้ที่เป็นพานให้กลายเป็นบัณฑิตได้ฉะนั้น การสมาคมกับเหล่าสัตว์บุรุษจึงเป็นการดี 6. ปิยันชะหะเทระคาถาภาษิตของพระปิยันชะหะเทระทราบว่าท่านพระปิยันชะหะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเมื่อเหล่าสัตว์หญิงพยองด้วยมานะเป็นต้นพึงประพฤตินอบน้อมถ่อมตนเมื่อเหล่าสัตว์ลดหย่อนความเพียรพยายาม พึงช่วยเขาให้ตั้งอยู่ในความเพียรพยายามเมื่อเหล่าสัตว์อยู่อย่างผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็พึงประพฤติพรหมจรรย์เสียเองเมื่อเหล่าสัตว์ยินดีในกรรมคุณตนก็ไม่พึงยินดี 7. หัตถ า, าโรโหหบุตรเถระคาถาภาษิตของพระหัตถ า, าโรโหหบุตรเถระทราบว่าท่านพระหัตถ า, าโรโหหบุตรเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่า แต่กนจิตนี้ได้ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆ ต, ตามความปรารถนาตามความต้องการตามความสบายวันนี้เราจะข่มจิตนั้นโดยอุบายอันแยบยนต์เหมือนควานช้างปราพยศช้างตกมัน 8. เมนทสิระเทระคาถาภาษิตของพระเมนทสิระเทระทราบว่าท่านพระเมนทสิระเทระได้กล่าวคทถาไว้ดังนี้ว่า เราเมื่อยังไม่ได้ยานที่เป็นเครื่องหยุดสังสารวัตต้องท่องเที่ยวไปสู่สังสารวัตนับชาติไม่ท่วนกองทุกของเราผู้มีความเกิดเป็นทุกขได้พลัดตกไปแล้ว 9. ก้ารักขิตเทระคาถาภาษิตของพระรักขิตะเทระทราบว่าท่านพระรักขิตะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าราคาทั้งมวลเราก็ละได้แล้ว โทษะทั้งมวลเราก็ถอนได้แล้วโมหะทั้งมวลของเราก็ไปปราดแล้วเราจึงเป็นผู้เย็นดับสนิทแล้ว10อุคเทระคาถาภาษิตของพระอุคเทระทราบว่าท่านพระอุคเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่ากรรมที่เราได้ทำแล้วจะน้อยหรือมากก็ตามทั้งมวล น, นั้นสิ้นสุดลงแล้ว บัดนี้ไม่มีการเกิดอีกอัฐรรมวัคจกรวมเรื่องพระเทระที่มีในวัคนี้คือ 1. พระวัชปาระเทระ 2. พระอาตุมะเทระ 3. พระมานวะเทระ 4. พระสุยมณะเทระ 5. พระสุสาระเทระ 6. พระปิยันชนะเทระเจ็ดพระหัตถาโรหบุตรเทระแปดพระเมนทะศิระเทระเก้าพระรักขิตะเทระสิบพระอุขเทระ นวมะวัคหมวดที่เกหนึ่งสมิติคุตตะเทระคาถาภาษิตของพระสมิติคุตตะเทระทราบว่าท่านพระสมิติคุตเเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราได้สวยบาปกรรมที่เราทำเอาไว้ในชาติอื่นๆในปางก่อนในอัตภาพนี้เองเรื่องบาปกรรมอื่นจะไม่มีอีกต่อไป สกัสปะเทระคาถาภาสิตของมารดากล่าวกับพระกัสปะเทระทราบว่าโย ม, มารดาของท่านพระกัสปะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าลูกเอย๋ยในทิศใดๆอาหารหาง่ายไร้โรคและปราศจากภัยจงไปในทิศนั้นๆเถิดขอเจ้าอย่าได้ประสบความเศร้าโศกเลยส สีหะเทระคาถาภาษิตของพระาศาสดาที่ตรัสสอนพระสีหเทระทราบว่าพระาศาสดาทรงมีพุทธดำรัสสอนท่านพระสีหะเทระอย่างนี้ว่าสีหะเธอยาประมาทอยู่เลยอยากหยีกคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนจงบำเพ็ญกุศลธรรมและฉันทราคะในตภาพเสียให้ได้โดยพลันเถิดสี 4. นีตะเทระคาถา ภาษิตของพระศาสดาที่ตรัสสอนพระนีตเทระทราบว่าพระศาสดาเมื่อจะประทานโอวาทแก่ท่านพระนีตเทระได้ตรัสพระคถาไว้ดังนี้ว่าคนสามปัญญาเอาแต่นอนทั้งคืนชอบมั่วสมกับหมูพวกทั้งวันเมื่อไรจึงจะสิ้นทุกข์ได้ 5. สุนาขเทระคาถาภาษิตของพระสุนาขเทระ ทราบว่าท่านพระสุนาคาเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าผู้ฉลาดในนิมิตแห่งจิตรู้รสแห่งวิเวกเพ่งพินิจอยู่ฉลาดในการบริหารกรรมฐานมีสติตั้งมั่นพึงบรรลุนิรามิสุขได้ 6. นาคิตะเทระคาถาภาษิตของพระนาคิตาเทระทราบว่าท่านพระนาคิตะเทระ ได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าทางแห่งลทัทธิอื่นๆนอกจากพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ทางดำเนินไปสู่นิพพานเหมือนอริยมรรคนี้เลยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระบรมครูทรงสั่งสอนภิกษุสงฆ์ไว้เองโดยประการชนิ้ดุจทรงชี้ให้เห็นผลมะขามป้อมที่ฝาพระหัต 7. ปวิทธเธระคาถาภาษิตของพระประวิทธเธระ ทราบว่าท่านพระประวิถเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าขันห้าเราเห็นแล้วตามความเป็นจริงพบทั้งปวงเราทำลายได้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดโคตสิ้นไปแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีก 8. อชุนเถระคถาภาษิตของพระอชุนเถระทราบว่า ท่านพระอจุนเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าเราสามารถยกตนจากห้วงน้ำใหญ่คือสงสารขึ้นสู่บกคืนนิพพานได้เหมือนคนที่ถูกพัดพาไปในห้วงน้ำใหญ่ช่วยขึ้นฝั่งได้เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสีแล้ว 9. ปฐมเทวะสะพะเถระคาถาภาษิตของพระปฐมเทวะสะพะเถระ ทราบว่าท่านพระปฐมเทวสภะเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราข้ามพ้นการมราคาดุดเปลือกตมและฉันทราคาดุดลมมาได้แล้วเราละทิชิเสมือนบาดาลได้ขาดแล้วเราพ้นจากโอคะและกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งหลายได้แล้วและมานะทั้งมวลเรากำจัดได้แล้ว 10. สามิท ต, ตะเถระคาถา ภาษิตของพระสามิทตะเทระทราบว่าท่านพระสามิทตะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าขันห้าเรากำหนดรู้แล้วขันเหล่านั้นดำรงอยู่อย่างถูกตัดรากถอนโคนแล้วการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นไปแล้วบัดนี้ไม่มีการเกิดอีกนวะมาวักจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในวัคนี้คือหนึ่ง พระสมิตริคุตตะเทระ 2. พระกัสปเทระ 3. พระศีหเทระ 4. พระนีตเทระ 5. พระสุนาคาเทระ 6. พระนาคิตเทระ 7. พระประวิทเทระ 8. พระอจุณเทระ 9. พระปถมะเทวสพรเทระ10 พระสามิทะตะเทระาสิทสศมาวักหมวดที่สิบหนึ่งปริปุนกะเทระคาถาพาะสิทธิของพระปริปุนกะเทระทราบว่า ่นพระปริปุรณกะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าสุธาโพธมีรสนับร้อยที่เราบริโภคแล้วยังไม่เทียบเท่านิพพานสุขที่เราได้บรรลุในวันนี้เพราะนิพพานธรรมนั้นเป็นธรรมอันพระโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นนิพพานอันอะไรกําหนดไม่ได้ทรงแสดงไว้แล้ว 2. อวิชยเทระคาถาภาษิตของพระวิชยเทระ ทราบว่าท่านพระวิชยะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าท่านผู้สิ้นอาสวะแล้วไม่ติดในอาหารมีสุญญตะวิโมกอ น, นิมิตะวิโมกและอปนิหิตตวิโมกทั้งสามเป็นอารมณ์ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เป็นที่รู้ได้เหมือนนกไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในอากาศ 3. เอรกะเทระคาถา ภาษิตของพระเอรกะเทระทราบว่าท่านพระเอรกะเทระเดียกล่าซ้ํากถาที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วนั่นแลดังนี้ว่าเอรกะกามีแต่ทุกข์การไม่มีสุขเลยผู้ที่ยินดีในกามชื่อว่าฝ่าทุกข์ผู้ที่ไม่ยินดีในกามชื่อว่าไม่ฝ่ทุกข์สี่เมตชิเทรคถา ภาษิตของพระเมตชิเถระทราบว่าท่านพระเมตชิเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคศักยะบุตรผู้ทรงพระสิริพระองค์นั้นพระองค์ผู้ทรงบรรลุสัพพัญญติยานันเลิศทรงแสดงนวโรกุตระธรรมอันเลิศ น, น, นี้ไว้เป็นอย่างดี 5. จักุปาละเถระคาถา ภาษิตของพระจักขุบาลเถระทราบว่าท่านพระจักขุบาลเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเรามีในตาพิการตาบอดเดินทางไกลธุระกันดาลถึงจะต้องนอนเกลือกลิ่งอยู่บนพื้นดินก็จะไม่ร่วมทางไปกับคนชั่วช้า 6. คันทสสมณเถระคาถาภาษิตของพระคัน ท, สนทัสมณเถระทราบว่า ท่านพระขันธสุมาเนเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าเพราะบริจาคดอกไม้ดอกเดียวแท้เราจึงรับการบำเรออยู่ในแดนสวรรค์ถึงแ0 0้อยล้านปีด้วยเศษกุศลธรรมแห่งการบริจาคนั้นได้บรรลุนิพพานแล้ว 7. ดติดสเถระคาถาภาษิตของพระติสเถระทราบว่าท่านพระติสเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่า เราละทิ้งจานทองคําลวดลายวิจิตมีค่านับร้อยประละมาใช้บาทดินแทนนี้เป็นการอภิเศกครั้งที่สอง 8. อภัยยะเทระคาถาภาสิทิ์ของพระอภัยยเทระทราบว่าท่านพระอภัยยเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเมื่อเห็นรูปมัวใส่ใจถึงอารมณ์อันเป็นที่รักอยู่ย่อมหลงลืมสติได้ ผู้ที่มีจิต ก, กำหนัดนักยังสวยรูปารมณ์อยู่รูปารมณ์นั้นย่อมผูกพันเขาไว้และอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่เขาผู้เข้าถึงมูลแห่งภพบ 9. อุตยเถระคาถาภาษิตของพระอุตยเถระทราบว่าท่านพระอุตยเถระเรียกล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเมื่อบุคคลฟังเสียงแล้ว มัวใส่ใจถึงอารมณ์อันเป็นที่รักอยู่ย่อมหลงลืมสติได้ผู้ที่มีจิตกำหนัดนักยังสวยสัทธารมณ์อยู่สัทธารมณ์นั้นย่อมผูกพันเขาไว้และอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่เขาผู้เข้าถึงสังสารวัฏส 10. ทุติยะเทวสภเทระคาถาภาสิตของพระทุติยะเทวสภเทระทราบว่า ท่านพระทุติยะเทวสพเทระได้ยกล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบมีสติปฐานเป็นอารมณ์ทั้งประดับประดาด้วยดอกไม้คือวิมุตติไม่ช้าเลยจะเป็นผู้หมดอาสวะปรินิพานทัศมะวักจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในวักนี้คือ 1. พระปริปุนกะเทระ 2. พระวิชยะเทระ 3. พระเอรกะเทระ 4. พระเมตชิเทระ 5. พระจกุูปาละเทระ 6. พระขันทสุมาณเทระเพระติสะเทระ 8. พระอภัยเทระ 9. พระอุติยะเทระ 10. พระทุติยะเทวสภรเทระ เพกาทศสมวัคหมวดที่ส1บเอ็ดหนึ่งเพลถกานิเทระคาถาภาษิตของพระเพลถกานิเทระทราบว่าท่านพระเพลถกานิเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเธอละเพศครหัตมาบวชแล้วยังไม่ทันเสร็จกิจเลยก็มีปากกล้าเหมือนไทยเห็นแก่ปากแก่ท้องทั้งเกียดครานซึมเศร้า เหมือนสุกร อ, อ้วนที่เขาขุนด้วยเศษอาหารย่อมเข้าถึงการเกิดบ่อยๆสอเสตุชะเทระคาถาภาษิตของพระเ ส, สตุจฉเทระทราบว่าท่านพระเ ส, สตุชะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าชนทั้งหลายที่ยังถูกมานะหลอกลวงเศ้ามองในสังขารทั้งหลายถูกลาบและความเสื่อมลาบครอบงำได้ ย่อมบรรลุสมาธิไม่ได้ 3. พันธุระเทระคาถาภาษิตของพระพันธุระเทระทราบว่าท่านพระพันธุระเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าลาบคืออมิตรนั่นเราไม่ต้องการเรามีความสุขพอแล้วอิ่มเ อ, อิบด้วยรถพระธรรมครั้นได้เดิ่มรถอันล้ำเลิศแล้วก็จะไม่ขอทำความใกล้ชิดกับรถอย่างอื่นที่เป็นพิษ สีคิตะกะเทระคาถาภาษิตของพระคิตะกะเทระทราบว่าท่านพระคิตะกะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่ากายของเราที่ได้สัมผัสกับสุขอันมีปิติมากเป็นกายเบาหนอย่อมลอยไปได้เหมือนปุยนุ่นที่ปลิวไปตามลมหเมลิตะวัมภะเทระคาถา ภาษิกของพระมลิตะวัภเทระทราบว่าท่านพระมลิตะวัภเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราเกิดกระสันขึ้นในที่ใดจะไม่อยู่ในที่นั้นถึงจะยินดีอย่างนั้นก็พึงหลีกไปเสียส่วนผู้มีปัญญาไม่พึงอยู่ประจำสถานที่ที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลย 6. สุเหมันตะเถระคาถา ภาษิตของพระสุเหมันตะเทระทราบว่าท่านพระสุเหมันตะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าเนื้อความที่มีความหมายต้องร้อยมีลักษณะถึงร้อยคนโง่เห็นได้ลักษณะเดียวเท่านั้นส่วนคนฉลาดเห็นได้ทั้งร้อยอย่าง 7. ธรรมสังวระเทระคาถาภาษิตของพระธรรมสังวระเถระทราบว่า ท่านพระธรรมสังวรเถระเรียกกล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจึงออกจากเรือนบวชบรรลุวิชาสามได้ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 8. ธรรมสตะปิตุเถระคาถาภาษิตของพระธรรมสตะปิตุเถระทราบว่าท่านพระธรรมสตะปิตุเถระเรียกกล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า เรานั้นอายุได้ร2 0ยี่สิบปีจึงได้ออกบวชเป็นบรรพชิตบรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 9. สังครคิตเตะเทระคาถาภาษิตของพระสังคารคิตเตะเทระทราบว่าท่านพระสังครคิตตะเทระเรียกกล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า ภิกษุผู้อยู่ในที่สงัดรูปนี้เห็นจะไม่คำนึงถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประโยชน์สูงสุดเป็นแน่เพราะเหตุนั้นแหละจึงไม่สำรวมอินทรีย์อยู่เหมือนแม่เนื้อลูกอ่อนในป่า 10. อุสพะเถระคาถาภาษิ์ของพระอุสภพะเถระทราบว่าท่านพระอุสภะเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า พฤกษาชาติทั้งหลายบนยอดเขาที่ฝนตกรดใหม่ๆงอกงามเต็มที่แล้วย่อมไม่เกิดภาวะที่จิตควรแก่ภาวนาเพิ่มขึ้นแก่เราผู้ชื่อว่าอุสภะซึ่งยังต้องการความสงนัดเห็นความสำคัญในป่าเอกาทสัมมวัคจบรวมเรื่องพระเถระที่มีในวรนี้คือ 1. พระเพลัะกาณิเถระสอง พระเสตุชะเทระ 3. พระพันทุระเทระ 4. พระคิตตะเทระ 5. พระมลิตาวัมภเทระ 6. พระสุเหมันตะเทระ 7. พระธรรมสังวรเทระ 8. พระธรรมสตปิตุเทระ 9. พระสังคารคิตเทระ10 พระอุสภะเถระ 12. ทวาทัสรรมวักหมวดที่สิบสองหนึ่งเชนตะเถระคาถาพาสิของพระเชนตตะเถระทราบว่า ท่านพระเชนตะเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าการบวชเป็นของยากแท้เรือนมีการอยู่ครองได้ยากธรรมก็ลึกซึง้งโภคะทั้งหลายก็หาได้ยากการเป็นอยู่ของพวกเราตามมีตามได้ก็ฝฟื่เคืองดังนั้นจึงควรที่จะคิดถึงความไม่แน่นอนอยู่เสมอ 2. วัชโคตะเทระคาถา ภาสิของพระวัชโคตเทระทราบว่าพระวัชโคตเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเราซึ่งได้วิชาสามมักเพ่งถึงนิพพานอันเป็นธรรมประณีตฉลาดในอุบายสำหรับสงบใจได้บรรลุประโยชน์ตนได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามวณวัชเทระคาถาภาสิของพระวณวัชเทระ ทราบว่าท่านพระวนวัชเทระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าภูเขาหินแอนกว้างใหญ่ไพศาลมีน้ำไหลใสสะอาดมีฝูงข้างและฝูงเนื้อฟานคลาคล่ำดารดาดไปด้วยน้ำและสารายเหล่านั้นย่อมทำให้เรารื่นรมยิ่งนะักสอธิมุตตะเทระคาถาภาษิตของพระอธิมุตตะเทระทราบว่า ท่านพระอิมิตยะเถระได้กล่าวคถาไว้ดังนี้ว่าภิกษุผู้ขวนขวายในการบำรุงร่างกายยังติดสุขอยู่ทางร่างกายเมื่อสิ้นชีวิตโดยพลันจะมีความเป็นสมณะที่ดีได้ที่ไหนหามหานามเถระคาถาภาษิตของพระมหานามเถระทราบว่าท่านพระมหานามเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า มหานามะท่านนี้กำลังจะเสื่อมประโยชน์เพราะภูเขาเนสาธกะอันมากไปด้วยหมู่ต้นโมกมันและต้นอ้อยช้างเป็นขุนเขาที่สมบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้และเถาวัล น, น, นานาพันธุ์ 6. ปาราปริยะเถระคาถาภาษิตของพระปาราปริยะเถระทราบว่าท่านพระปาราปริยะเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า เราละภาษายตนาหกได้แล้วคุ้มครองสำรวมระวังทวารหกด้วยดีกำจัดสัพกิเลสอันเป็นมูลรากแห่งวัตทุกข์ได้หมดแล้วจึงหมดสิ้นอาสวะ 7. ยะสะเทระคาถาภาสิตของพระยะสะเทระทราบว่าท่านพระยะสะเทระเรียกเหล่าคาถาไว้ดังนี้ว่าเรารูปไล้ดีแล้วนุ่งห่มดีแล้ว ระดับด้วยเครื่องอาพรทุกชนิดบรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 8. กิมพิละเทระคาถาภาษิตของพระกิมพิละเทระทราบว่าท่านพระกิมพิละเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าวัย่อมร่วงโรยไปเร็วนักรูปที่เป็นไปอยู่อย่างนั้นย่อมปรากฏแก่เราเหมือนกับสิ่งอื่น เราเระลึกถึงร่างกายของเราผู้อยู่ไม่ปราศจากสติเหมือนกับร่างกายของผู้อื่น 9. ก้าวชีบุตเตระรคาถาภาษิตของพระวชีบุตเทระทราบว่าท่านพระวชีบุตเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าท่านพระอาโนนโคตมะโคตท่านจงเข้าไปยังสมทุมพุ่มไม้กำหนดนิพพานไว้ในใจเพ่งฌานไปเถิดและอย่าประมาท เสียงวิภาควิจารของคนจะช่วยอะไรท่านได้10อิสิทตะเทระคาถาภาษิตของพระอิสิทตะเทระทราบว่าท่านพระอิสิทตะเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าขันห้าเรากำหนดรู้แล้วขันเหล่านั้นดำรงอยู่อย่างถูกตัดรากถอนโคนแล้วความสิ้นทุกข์เราได้บรรลุแล้ว เราได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วทวาทัศมวักจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในวักนี้คือ 1. พระเชนตะเทระ 2. พระวัชโคตะเทระ 3. พระวณวัชชเทระ 4. พระอาทิมุตตะเทระ 5. พระมหานามเทระ 6. พระปาราปริยะเทระเจ็ดพระยะสะเทระแปดพระคิมพิละเทระเก้าพระวัชีบุตรเทระสิบพระอิสิท ต, ตะเทระเอกานิบาตจบรวมหัวข้อที่มีในเอกานิบาตในเอกานิบาตนี้แหละท่านผู้หวังประโยชน์ส่วนใหญ่รวบรวมพระเทระ ผู้ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วหาอาสะวะมิได้ได้ร2 0ยี่สิบรูป